การฝึกตนเองต้องฝืนการฝึกนี่คือต้องฝืนถ้าจะว่าทรมานกับทรมานคำว่าทรมานก็คือฝืนแบบที่เราอยู่แบบสบายๆนั่นแหละเราอยู่แบบสบายๆกับที่เรามาฝึกหัดนี่มันต้องฝืนเรื่องธรรมะเป็นเรื่องที่ต้องฝืนต้องทวนทวนกระแส กระแสของกิเลสกระแสความรักกระแสความชังกระแสขี้เกียจขี้คร้านขี้โลบขี้โกรธโมโหท้อโศเป็นกระแสกิเลสทั้งนั้นแหละเราต้องทวนคำว่าทวนก็คือชนมันเลยหละชนมันเลยไม่ใช่คำว่าทวนแล้วหลบหนีไม่ใช่ทวนนะทวนคำว่าทวนคือชน พอชนไปแล้วย้อนไปดูแล้วพิจารณาไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นมายาเนี่ยคือกิเลส ธ, ธรรมะต้องฝืนท่านเปรียบเหมือนปลาปลาเป็นกับปลาตายไม่ฝืนก็คือปลาตายนะ่ะลอยตูปต้ป่องตู้ป่องตู้ป่องไปตามน้ำลอยไปลอยไปก็ไปเกาะไปติดไปติดสวะไปติดกองอยากยื่อเหมือนกันนั่นแหละ ปลาตายปลาตายไม่ฝืนแต่ปลาเป็นในฝืนในกระแสในกระแสน้าไหลนะั่นปลาเป็นต้องฝืนต้องมีมีหัวทว น, วนกระแสน้ําเสมอผู้ฝึกทำปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันต้องฝืนต้องอดต้องทนฝึกฝึ ก, กต้องฝืนจะว่าทรมานก็ได้ ทรมานกิเลส <c oughs> ถอยในน้อยใ น, ยนแรงนะเนี่ยเมื่อวานอ ม, อมเม็ดสองมเม็ดโอ้แรงได้ได้ช่วยเสียงได้โอ้ยมันยังไม่หมดเมื่อวานเหลือเต็มกิเลสไม่ต้องฝืนกิเลสมันเป็นพลังธรรมชาติที่มีอยู่ในใจของเรามันไม่ต้องฝืน สะดวกสบายตามใจฉันอิสระเสรีไม่มีอะไรเท่าเรื่องของกิเลสปล่อยตัวสบายเฟะอยู่นั่นน่ะเรื่องของกิเลสแต่เป็นเรื่องธรรมเป็นเรื่องดึงเข้าระบบดึงเข้าระเบียบระบบเนี่ยีระเบียบที่เราอยู่เราอยู่ด้วยระเบียบเราพร้อมเพียงกันเราก็พร้อมเพียงกันด้วยระเบียบกิเลสไม่เป็นระเบียบ คิดดีแล้วก็ชั่วคิดชั่วแล้วก็ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่เป็นระเบียบพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นระเบียบดูให้เห็นตามหลักความเป็นจริงก็คือดูให้รู้ให้เห็นให้ทันระเบียบหลักของธรรมชาติธรรมะต้องฝืน <c oughs> ธรรมะต้องมีอำนาจธรรมะต้องมีพลังธรรมะ ต้องมีกำลังถึงจะฝืนกิเลสได้ปราบกิเลสได้ถ้าไม่มีกำลังกิเลสมันเป็นกำลังธรรมชาติมันปราบธรรมะเข้าไปเองมันพร้อมที่จะปราบอยู่แล้วถ้าเผื่อธรรมะไม่ลุกมาสู้กิเลสก็ปราบธรรมะก็คือสติธรรมบัญญาธรรมนั่นแหละย้ยอนมาดูมาสอดส่องดูจิตใจของเรา เรตื่นเช้าบางคนอาจจะไม่เคยตื่นเช้าพอเราตื่นเช้ามาล้างหน้าล้างตางลุกเดินออกมาข้างนอกได้รับอากาศข้างนอกปลอดโปร่งสบายดีแต่ถ้าหากไม่อยากฝืนออกมาให้ถึงตรงนี้เห็นแค่ตรงนี้ก็ขีดเศราอยู่นั้นแหละ <laughs> อยู่ที่นอนที่พักฝื น, <laughs> นอดอดช่วงนั้นแหละ ช่องที่มันรบรล่าจิตของเราตอนนั้นตอนที่จะลุกมาเนี่ยอีกเสนหน่อยอีกเสนหน่อย <c oughs> ฝืนตรงนั้นเสนหน่อยออกมามก็แล้วเท่านั้นแหละผู้ที่ท่านฝึกอยู่เป็นประจำกับระบบกับระเบียบถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ผู้ที่ไม่เคยฝึกตนเลยเนี่ยรู้สึกว่าต้องฝืนใจบ้างเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาพร้อมแล้วใช่ไหม พร้อมแล้วเราก็ธรรมบัตรเน <c oughs> ่าเหมือนเดิมไปบัตรนาแรกเลยมั้งเ่าธรรมบัตรเช้าหนาแรกเลย ทำบัน ระหังสมมาสมบุโธภักขวาพุทังภกขวันตังอภิวาเดมีสวัสดโตรภักขวตาธัมโอ อามะนามัสอามิรูปติปันโนอาวะโตสอาวกัสสังโฆสังขังนามิ นโมตัสสมภากาวะโตถ้าเราได้ร่วมสวดกันสักอาทิตย์หนึ่งโอจะคล่องอันนี้ต่างคนต่างดึงกันไอเราก็เลยต้องฝนไปตามโมปกติการสวรดม น, นี่ให้เราพยายามสังเกตทีฆรัตสะคาว่าทีฆะก็คือสระเสียงยาวรัตสะ คือสเสียงสั้น a uh, i u เสระเสี i เส u นี่เราวาเรีได <wh istles> <qu> ้ a i u e o นี่ว่ายาวๆเราจับหลักได้แค่เนี้ยเราสวดถูกกันหมดเสียงสั้นว่าสั้นๆเสียงยาวว่ายาวๆ a เสระอเสี i เส u เส e เสนี่ a i u e o นี่ว่ายาวๆ สัมมาสัมบุตสักเงียมันมันไปด้วยกันได้หมดอิติปิอิติปิโสมเสียงสั้นอิติปิอิติปิโสมภะควาอะระหังสัมมาสัมบุตโธเสียงสั้นว่าสัน้นเสียงยาวว่ายาวเราจับหลักได้แค่นี้เราว่าถูกกันหมดนะ หลายสำนักเท่าไรก็ตามว่าถูกกันหมดเราฟังดูคณะสงฆ์เวลาท่านสวดนะ่ะพระเทระผู้ใหญ่ท่านสวดนะ่ะท่านจะสวดเข้ากันเป๊ะเป๊ะเปี้เพราะท่านฝึกท่านฝึกแล้วท่านมีท่านรู้ระเบียบใยาการสวดมนต์นนะอย่างน้อยการสวดมนต์วันนี้ได้เกรดความรู้ไปว่าถ้าเป็นตัวไหนประกอบไปด้วยสระเสียงสั้นท่านเรียกว่ารัศสะสระให้ว่าเร็ว มันว่ายาวไม่ได้มันว่ามันต้องว่าสั้นอยู่แล้วอิติปีอีอิติปินะมันไม่เป็นสีแล้วมันเป็นอีแล้วเรืว่าอิติปิเนี่ยมันมันไม่ใช่สีแล้วมันเป็นสีไปแล้ว่าสัมบุทธสัมบุทธาเนี่ยมันไม่ใช่สระแล้วมันเป็นสระไปแล้วเห็นมมันบังคับไปในตัวเลย เราจับหลักได้แค่นี้เราสวดถูกกันหมดสระอาสระอีสระอูสระเอสระโอสระอังสระอังนี่ก็ว่าว่าสั้นสั้นเรียกว่าลาหุลาหุอ่ครุลาหุสระอังเป็นสระเสียงสั้นสระเอยเป็นสระเสียงยาวสระเออ่าหุเนยโยเนี่ยอาหุเน ยยักเป็นตัวสะกดไม่ใช่อาหุเนโยเนยนี่เป็นภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีภาษามาคตต้องอาหุเนโยตัวยอตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดอาหุเนโยปาหุเนโยเรารู้แค่นี้เราก็ว่าได้เนี่ยแต่ถ้าให้ถูกตามมคตจริงๆมันต้องมีเสียงขึ้นจมูกเสียงลงค อ, อ, อสมมาสมบุตร แล้วก็มีตัวพยัญชนะที่เปลี่ยนพอพานเป็นบอออกเสียงเป็นบอส ม, มาสัมบุตรวิทยาจารณสัมปัโนนโนนเนนขึ้นจมูกอันนี้เราต้องฝึกเพิ่มเข้าไปอีกแต่เพียงแต่เราว่าให้ถูกกันเนี่ยเราจับหลักสระได้เราว่าถูกกันพร้อมกันกี่สัมนักก็ตามสวดถูกกันหมดแต่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านได้ฝึก ที่ครัสะท่านด้ฝึกมคอมคตบาลีเงี้ยเสียงลงคอเสียงขึ้นจมูกเสียงขึ้นนาสิก เ, เสียงลงคอเสียงสั้นเสียงยาวจะว่าถูกกันหมดการทำวัดสวดมนต์ไม่ใช่ว่าเราท่องใดแล้วเราก็สวดต่างคนต่างว่าเอาต่างคนต่างว่าเอาปากก็ว่าหูก็ฟังให้มันเข้ากันกระหมูยิ่งทําให้ เกิดความไพเราะได้เท่าไหร่ยิ่งดีความไพเราะความกลมกลืนกันความกลมกล่อมกันความไพเราะฟังแล้วมันรื่นหูมันไพเราะหูมันไม่สะดุดหูมันไม่สะดุดหูเป็นเหตุอะไเป็นเหตุกล่อมใจกล่อมกลาจิตใจของเราให้หลับเพราะ ง, งั้นเถอะกล่อมให้หลับกล่อมให้สุขก็เมื่อกเรากล่อมเด็ก ให้นอนหลับให้เขาให้เขาสุขสุขให้เขามีความสุขเขาจะได้หลับใจของเราเช่นเดียวกันถ้าเราจะเทียบว่าความหลับของใจของเราก็คือความสงบถ้าไม่สงบก็คือไม่หลับถ้าหลับก็คือสงบนี่คือเราเทียบกันการฝึกสวดตั้งใจสวดดีก็มีผลเมียนิสงเป็นการ เป็นการทำบุญด้วยวาจาคำพูดน ะ, นะการสวดมนต์นี่นะเป็นความงามด้วยคำพูดคำพูดของเราเนี่ยเราวาดตามตัวหนังสือเนี่ยมันงามวจีกรรมงามคือพูดตามที่ท่านเรียบเรียงเอาไว้เอาวาจามาทำบุญให้เกิดบุญเอากายมาทำบุญก็ไปหยิบนู่นไปฉวยนี่ไปจัดนู่นไปทำนี้ อาวาจามาทําบุญก็คือมาทําวัดมาสวดมนต์มาพูดสิ่งที่เป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเป็นกิเลสไม่พูดกิเลสในใจของเราไม่อดในใจของท่านไม่อดเราไม่ต้องไปพูดใส่กันเราพูดในเรื่องธรรมสิ่งที่เป็นธรรมก็คือสิ่งที่ไพเราะเพราะพริ้งรื่นหูเย็นหูเย็นหูเย็นใจเย็นตาเย็นใจ เย็นจมูกก็เย็นใจเย็นสัมผัสพอดีพอดีก็เย็นใจใจมันเป็นผู้รับรู้รับทราบทุกระยะวงจรของอัตภาพร่างกายของเรา <c oughs> โลกนี้เป็นโลกกว้างถ้าเราต้องการจะแสวงหาความรู้ต่างๆเหล่านี้มันไม่มีคาว่าสายสลหรับความรู้นั้นความรู้นี้เราศึกษาได้ตลอดได้ยินได้ฟังได้ตลอด โดยเฉพาะทางธรรมซึ่งเป็นหลักของใจอยู่แล้วถ้าเรายังอ่อนอยู่ยังด้อยอยู่เราก็พยายามฝึกเอาไว้ท่องบนสวดม น, น์พยายามฝึกเอาไว้บนเอาไว้ท่องเอาไว้ให้เป็นคนขลังคาถาเข้าคําว่าขลังคาถาก็คือมีคาถาจําบทสวดได้เยอะๆเป็นคนขลังคาถาเพราะบทสวดทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคาถาไปดูมงคลสูตร เซวนาจะบาลานังปณิตานันจเสวนานี่เป็นบทมงคลเป็นบทมงคละสูตรเป็นบทมงคละสูตรเป็นธรรมะทั้งนั้น <c oughs> เป็นธรรมะเป็นบทธรรมแล้วก็เป็นคาถาท่านแต่งเอาไว้เป็นคาถา เป็นเป็นเนก่งคาถาให้พวกเราเก่งคาถาคำว่าเก่งคาถาคือทรงคาถาอันนี้ไม่ใช่คาว่าคาถาคือคงกระพันชาติยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้ายิงไม่ออกมันไม่ใช่แบบนั้นคาถาแบบนั้นไม่ต้องลองดอกลองหนึ่งครั้งไม่เป็นไรสองครั้งไม่เป็นไรสามครั้งก็เวอะเวอวะนะเพราะกำลังจิตของเรามันมันมันไม่คงที่ กําลังจิตเราตกไปกําลังจิตเราอ่อนไปสิ่งเหล่านั้นก็ป้องกันไม่ได้คุ้มครองไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่วิชาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราไปทําอย่างนั้นแต่หากค น, นชอบหยิบฉวยเอาของของดีของพระพุทธเจ้าออกแนวออกนอกแนวแวกแนวของท่านท่านจ้เอามาศึกษาเพื่อชําระขัดเกลากิเลสจิตใจของตัวเองให้มีกายงามวาจางงามและก็ะจายจงาม กายบุญวายจาบุญใจบุญถ้าก็ออกไปอย่างงั้นบางทีก็ออกไปในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมกลายเป็นเรื่องของกเกลเอ็ดทาให้คนมีจิตใจหึกเหิมขึ้นมานเขาเรียกเสือเสือเสือโอ้ชอบเสือก็คือสัตว์เดรัจฉา น, นะโอ้เทวบุตรพ่อเทวบุตรแม่เทวดาเนี่ยทำไมไม่ชอบ เขาเรียกเสือเสือเสือโอ้ยขึ้นปันเสือทั้งทั้งที่เสือมันเป็นสัตว์เดริชานแน่มันชอบไปอย่างนั้นนะคนะเราฝึกสิ่งที่เป็นหลักจริงๆก็คือหลักของศีลหลักของธรรมอันนี้เราไม่ทอดทิ้งเราฝึกได้ปฏิบัติได้คนที่อยู่ใกล้เคียงเราก็บอกสอนได้ให้ทำตามกันได้เราจะได้เป็นหมู่ไม่งั้นเราอยู่คนเดียวในกลุ่มงานของเราถ้า เ, เรา คนเดียวเราไม่เป็นตะยูแหละดีไม่ได้อยู่ไม่ได้ด้วยซ้ําไปคนรอบข้างตัวเราเราต้องฝึกให้เขาเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมด้วยกันมันจะได้เป็นหมู่กันสมมุติในกลุ่มงานของเราสิบคนเนี่ยในกลุ่มงานของเราสิบคนเราอาจจะมีโอกาสไปอบรมสักหนึ่งคนสองคนเราก็ดึงหมูในนั้น่ะดึงได้ทีละหนึ่งทีละสองทีละสามดึงดึงจนหมดโอ้ยเป็นหมู่เป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นกำลังกันได้อย่างดี แต่ถ้ า, าไม่ดึงใครก็อยู่คนเดียวเป็นที่เพ่งเล็งของหมูแล้วแหละคือคนเราเนี่ยทิฏฐิเอ่ยความประพฤติเอ่ยที่ไม่เสมอกันเนี่ยมันถูกแยกโดยอัตโนมัตินีมันถูกแยกโดยอัตโนมัติยย อ, ตตอย่างในทางพระเนี่ยท่านบอกว่าทิฏฐิสามัญญาตาศีละสามัญญาตาเสมอกันด้วยศีลเสมอกันด้วยทิฏฐิ ถ้าศีลไม่เท่ากันเนี่ยยิ่งจอมากันอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะนี่เราพูดถึงสงนะศีลไม่เสมอกันเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ละทิฏฐิสามัญญตาทิฏฐิเสมอกันคําว่าทิฏฐิเสมอกันก็คือมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจเหมือนกันถ้าเข้าใจแตกต่างกันแล้วก็แตกกันเนี่ยสิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นเครื่องบอกบอกบอกถึงว่า กลุ่มชนกรรมของคนกรรมจำแนกคนสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกก็นี่แหละกลุ่มคนดีกลุ่มคนไม่ดีกลุ่มคนฝึกกลุ่มคนไม่ฝึกกลุ่มคนมีระบบระเบียบกลุ่มคนไม่มีระบบระเบียบมันแยกกันโดยอัตโนมัติเราอยากให้กลุ่มของเราชุมชนของเรากลุ่มงานของเราอยากทำงานด้วยมีความสุขร่วมกันแล้วก็บอกกัน เรามีความรู้เราเผื่อแพ่ความรู้ให้กับกับหมู่กับเพื่อนกับคนรอบข้างเราเราเราก็เป็นผู้มีมีบุญเพิ่มท่านเรียกว่าธรมาธรมทานธรรมทานให้ธรรมะเป็นทานบอกสอนสิ่งที่เป็นอัดเป็นธรรมเนี่ยเป็นทานแนะนำให้ประพฤติสิ่งที่เป็นอัดเป็นธรรมเนี่ยเป็นทานนี่ท่านเรียกว่าธรรมทานแนะนำคนที่เข้าใจผิดหลงทางเดินทางผิด ให้เข้าใจถูกเดินทางถูกนี่เป็นธรรมทานแทนที่เขาจะเดินลงนรกเขาได้กลับเดินขึ้นสวรรค์เนี่ยแทนที่จะเขาจะได้เดินไปหาความทุกข์ยากลาบาก เ, าเดินไปหาทุกข์หาโทษกลับหันเหหันทางเดินมาเพื่อความถูกต้องดีงามเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็นธรมธนธรมทานธรรมทานถือว่าชนะ การให้ทั้งปวงการให้ธรรมทานไม่ใช่ว่าเราจะพิมพ์หนังสืออย่างเดียวเป็นธรรมทานไม่ใช่การบอกการแนะการชักชวนให้รู้ให้เข้าใจเรื่องสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นอจเป็นธรรมมีโอกาสไปศึกษาฝึกฝนอบรมประพฤติธปฏิบัติด้วยกันนี่เป็นธรรมเป็นธรรมผลจากการให้ธรรมทานมันก็สะท้อนมาที่เรา เราก็เป็นผู้มีบุญนอกจากมีบุญในใจของเราแล้วยังกลายเป็นผู้มีบุญมีคุณอีกเรื่องมีบุญมีคุณเหล่านี้เราปฏิเสธได้ไหมเราปฏิเสธไม่ได้พูดอะไรออกมาก็อ้างแต่บุญแต่คุณพูดอะไรออกมาก็อ้างแต่บุญแต่คุณเพราะบุญคุณมันมีอยู่จริงเราปฏิเสธได้ไหมอย่างพ่อเราไม่มีบุญบุญคุณแม่เราไม่มีบุญคุณ คุูบาอาจารย์ของเราไม่มีบุญคุูน่เราปฏิเสธได้ไหมถ้าหากปฏิเสธก็คือเอาปากปฏิเสธเฉยโดยที่ใจไม่ยอมมองความความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างงั้นก็เหมือนอย่างพ่อแม่เลี้ยงเรามานอกจากเลี้ยงเรามาแล้วเนี่ยเนื้อนหนังโครงสร้างของเราทั้งหมดก็เอาเอามาจากท่านเราเอาอะไรสักหยดสักชิ้นสักก้อนไปเกิดในท้องแม่มีไหมไม่มีมีแต่คองพ่อคองแม่ทั้งหมด ท่านให้มาและเป็นโครงสร้างของเราอยู่ในท้องแม่แม่ก็เลี้ยงดูดเลือดดูดเนื้อท่านกินตลอดเพราะออกมาดูดไม่ได้แล้วต้องตัดสายรกดูดไม่ได้ต้องมาเข้าปากเองนะตอนนี้เข้าม า, เ ข, าเข้าม า, เ ข, า, มาเข้าปากเองพอวิญญาณรู้เริ่มรู้เริ่ ม, ม, มแข็งแรงรู้เดียงสาภาวะมากเข้ามากเข้าก็เลยยึดเลยถือว่าเราถือว่าเขาถือว่าตัวกูตัวของของกู ตัวเราตัวของของเราอัตตาตัวตนของเราโผล่ขึ้นมาตอนนี้แนะ่มายึดเอาตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไ, ไม่ใช่ของเราแค่เราดูไปในท้องแม่มีอะไรเป็นของเรามีไหมไม่มีของเราก็มีแต่กรรมเท่านั้นแหละกรรมเข้าไปจับจองแนะ่กรรมกลายเป็นนามธรรมา ท, ที่มากับใจมันเข้าเข้าไปจับจอง เข้าไปจับจองในทองแม่ทำไมถึงต้องเข้าไปจับจองมันเที่ยวเสาะสแสวงหาต้องเข้าไปจับจองอย่างนั้นเหรอมันก็ไปตามบุญตามกรรมของมันแหละดวงวิญญาณที่มันมีพลังดีมีคุณงามความดีมากๆมันก็จะได้ไปเกิดในที่ดีจะได้ไปเกิดในที่ดีเกิดในกลุ่มชนดีแต่อันนี้ก็ยังไม่แน่นอนอะระหวังคนที่มีบุญด้วยกันไปเกิดด้วยกัน ระหว่างคนที่คนหนึ่งเป็นบุญคนหนึ่งคนหนึ่งคือคนที่มีเวรกันไปเกิดด้วยกันก็มีคนที่มีเวรต่อกันไปเกิดด้วยกันก็มีเพื่อเพื่อจะก่อเวรต่อเพราะงั้นเถอะเพื่อแต่จะแก้แหวนแก้แค้นเวรกันอย่างนี้ก็มีใครไม่เคยอ่านหนังสือกดแห่งกรรมไปอ่านดูหนังสือลุงลุงตานจานใบาลานไปไปอ่านดูเนี่ย เรื่องกฎแห่งกรรมเคยฆ่าเพื่อนพอเพื่อนตายไปแล้วมาเกิดมาเกิดในท้องของเมียของตัวเองมาเป็นลูกของตัวเองพอลูกโตขึ้นมารู้เดียงสาภาวะพอที่จะทาการตอบแทนกรรมได้มันก็ทำเริ่มเดินได้เริ่มคลานได้เริ่มอะไรได้ลูกมันก็นมาฆ่าเราซะคือตอนนั้นเราฆ่าเพื่อนพอเพื่อนตายไปแล้วามาเกิดเป็นลูกของเรา มันตามมาเพื่อที่จะมาฆ่าเราลุงตาลก็ น, นี่แหละสมัยเป็นหนุ่มธรรมหา ก, กินด้วยกันสมัยยังยังเด็กยังหนุ่มธรรมหา ก, กินด้วยกันคงจะมีทรัพย์อะไรไว้กับตัวเองอัพย์ของเพื่อนก็เลยวันหนึ่งกินเหล้าเพื่อนเมามากนั่งเรือข้ามฟากมีคลื่นมีอะไรกระทบนิดหน่อยทําเป็นเอาตัวเองเนี่ยไปชนเพื่อน เพื่อนเมาอยู่แล้วตกน้ําตกน้ําแล้วก็ไม่สนเพื่อนก็ตกน้ำํำจมน้ําตายนี่คือแกล้งให้เพื่อนตายเอแล้วก็กรรมก็เราเป็นคนทําเพื่อนตัวนี้ก็มาเกิดในมาเกิดเป็นลูกของตัวเองมาเกิดในท้องเมียก็คือลูกตัวเองแล้วพอออกมานับตั้งแต่ลูกคนนี้เห็นหน้าลูกคนนี้ออกมาเนี่ยดูไปที่หน้าเข้ามันเนี่เอมันเหมือนเพื่อนเราอ่ะ เห็นหน้าเห็นตามันทีไรเหมือนกับมันเยาะเย้ยเราตลอดเวลาเห็นไหมกรรมมันบันดาลมันดึงใส่กันเพราะลูกเริ่มเริ่มคลานได้เริ่มเดินได้เ ต, ตะได้ไล่ได้นอนหลับอยู่ลูกเอาตะเกียงมาสาดใส่เผา้ํามันไฟก็ครอกลงตาลแทบเกือบตายเมียเขาใาว่าตายเอาไปทิ้งไว้ที่วัดในที่สุดคนวัดเขาก็ดูแลฟื้นขึ้นมามีชีวิตชีวาอยู่ได้ไม่เป็นผู้เป็นคนเพราะมันถูกไฟครอก พอโตขึ้าพอมีสุขภาพอยู่เป็นปกติก็ไม่รู้จะท ร, รมาหากินอะไรยังไงก็เลยจานใบาลานให้กับพระในวัดก็เลยได้ชื่อว่าลุงตาลจานใบาลานไปอ่านดูนะเรื่องกฎแห่งกรรมทอพิบูญเขาเอามาเขียนแล้ได้คติดีมากนี่คือเรื่องกรรมก็ทำให้เราพิสูจน์ด้วยว่ากรรมนั้นไม่ใช่ว่าคนดีกับคนดีจะไปเกิดด้วยกันอย่างเดียว คนไม่ดีต่อกันก็ไปเกิดด้วยกันเพื่อแก้แค้นกันได้เพื่อแก้แค้นกันบางทีก็เป็นเรื่องของกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่าก็มีมกรรมใหม่คือไอ้เรื่องกรรมใหม่มันไม่มีขอบเขตเรื่องกรรมเก่ามันมีขอบเขตของมันนะกรรมเก่าที่มันทรงเรามาน่ะมันมีขอบมีเขตของมันแต่กรรมใหม่ไม่มีขอบไม่มีเขตกรรมใหม่ก็คืออะไรก็คือความเป็นอยู่ในปัจจุบันของเราเนี่ย การที่เราจะกระดุกระดิกพลิกเพลงอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นกรรมใหม่ถ้าหากเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจิตใจเป็นธรรมพอเราก็ยึดเราก็กเกาะตามที่กิเลสมันเสกสรรให้เราไปทํานู่นไปทํานี้กระซิบกระราบให้เราไปทํานู่นให้เราไปทํานี่โดยเฉพาะแนวโน้มที่อยู่รอบข้างตัวเราแวดล้อมตัวเราเสามารถจะทาให้วิถีกรรมของเราเนี่ย เปลี่ยนพลิกผันไปอย่างใดอย่างหนึ่ ง, งได้จากคนที่เคยมีสุขภาพเรียบร้อยนะอาจจะเป็นคนไม่เรียบร้อยขึ้นมาก็ได้ความประพฤติเคยเรียบร้อยความประพฤติอาจจะไม่เรียบร้อยขึ้นมาก็ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันมันปลุกฝังจิตใจของคนเรามันจิตใจเพื่อนโน้มเอียงมันโน้มเอีอยงเยาวาต่คนเลยสัตว์ยังเป็นช้างของพระราชาเนี่ยขังอยู่ใน คอกช้างอ่ะนะขโมยโจรโจรมันไปหาลักไปหาขโมยน่ะมันไม่มีที่หลบซ่อนมันก็ไปหลบซ่อนอยู่ข้างๆโรงช้างอ่ะช้างตัวนั้นเป็นช้างมหามงคลเป็นช้างดีมากเป็นช้างทรงของพระราชาอืมมันรู้โรงช้างยังไงให้ขโมยไปแอบซ่อนอยู่ได้มันก็คุยกันที่เรื่องขโมยคุยกันเรื่องฆ่าเรื่องแกงเรื่องอะไรต่อะไรมันคุยกันทุกวันทุกวันอ่ะมันคิดว่าช้างไม่รู้เรื่อง ช้างมันฟังมันรู้เรื่องช้างที่เคยเป็นช้างมงคลตัวนี้เลยกลายเป็นช้างที่ดุร้ายที่สุดเลยกิจกยามรยางความประพฤติเนี่ยที่เคยอ่อนช้อยอะไรเมื่อก่อนแข็งกระด้างไปหมดเป็นช้างพยศต่อเจ้าของต่ออะไรต่อนีไก็เลยเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นที่แปลกแล้วก็ทำไงเป็นที่แปลกก็เลยบัณฑิตในนั้นมีบัณฑิตก็เลยมาแก้ให้ บัณฑิตมาแก้ให้โอ้ช้างเนี่ยมันมีมันเป็นสิ่งที่โน้มเอียงไปตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินความประพฤติของมันเนี่ยมันโน้มเอียงไปตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาวิธีแก้ฉลาดนะบัณฑิตขึ้นชื่อว่าบัณฑิตนี้ฉลาดอ่านี่เป็นเรื่องของชา ด, ดกถ้านโน้มไปย้อนไปก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตพพุทธเจ้าของเราเป็นบัณฑิตก็เลย เรียกแต่ปราดบัณฑิตผู้มีศีลมีธรรมเป็นสัพ ป, ปรุตเป็นสัตตบรุตแหละไปคุยกันที่คอกช้างอ่ะแหละคุยกันทุกวันทุกวันคุยเรื่องศีลคุยเรื่องธรรมคุยเรื่องเมตตากรุณาคุยเรื่องเมต อ, บเบอุเบขาคุยเรื่องเมตตากรุณามุติตาเบขาคุยเรื่องช่วยเหลืออย่างนั้นคุยแต่เรื่องที่เย็นใจฟังแลว้วเย็นใจฟังแลว้ลวรื่นหูจากช้างที่เคยพยศนี่ย กลับเป็นช้างดีคืนดังเดิมนี่ดูที่ฉลาดไหมบัณฑิตปราหลาดบัณฑิตเราพูดอย่างนี้เราย้อนมาที่ตัวเราจิตของเรามันเป็นสิ่งที่น้อมมโนมโนมโน ม, โมโแล้วว่าน้อมอ่อนน้อมมันพร้อมที่จะน้อมไปเกาะไปติดยิ่งเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมด้วยแล้วเนี่ยกิเลสติดง่ายกิเลสมันติดง่ายเพราะสิ่งที่มายโ่วยวนมันอะอันไหนชอบใจมันเป็นอาหารของมันอะติดมั่วทันทีติดมับทันที ลูกของเราดีๆอยู่ที่บ้านเนี่ยเราปล่อยให้ไปเกี่ยวข้องกับแวดล้อมที่ดีเราก็มั่นใจได้หวังใจได้แต่ไปเกี่ยวข้องกับแวดล้อมที่ไม่ดีให้พึงระวังเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นการพลิกผันหันเหของกรรมใหม่กรรมที่เราได้มาดีแล้วอาจจะไปสร้างกรรมไม่ดีก็ได้ตัวเองเดินบาดีแล้วอาจจะเดินไปในทางไม่ดีก็ได้ เนี่ยใจของคนเรามันโน้มเอียงมันโน้มเอียงเพราะความโน้มเอียงของใจของเรานี่แหละเราจึงเอามาฝึกได้จึงเอามาฝึกฝนได้มาอบรมได้มาอะไรได้มาดัดได้มาแปลงได้เอาคุณงามความดีมาดัดมาแปลงก็ได้คนดีๆถ้าไปอยู่ในกลุ่มโจรไม่นานก็เป็นโจรแหละไม่เคยฆ่าคนก็ไม่เค ย, ค ไ, มเคยไม่คิดไม่เคยคิดกล้าที่จะฆ่าคน แล้วเห็นเรื่องการฆ่าคนเป็นเรื่องธรรมดาที่แรกก็เห็นเขาฆ่าก่อนนี่นะยกตัวอย่างที่แรกก็เห็นเขาฆ่าก่อนครับปล้นเขาฆ่าเขาจี้กิริยามารยาทนี่ร้ายกาดหยาบช้าทารุณพอมันเห็นทีแรกมันก็นึกวันบ้างวิตกบ้างระแวงบ้างกลัวบ้างอะไรบ้างเห็นบ่อยๆเข้าเห็นบ่อยๆเข้ากลายเป็นเรื่องสนุกอยากลองบ้างอฆ่าเองบ้างพูดจาหยาบคาเองบ้างฆ่าบ้างฟันบ้าง ทำทารุณกรรมทุกอย่างตามตามอิสระของกิเลสที่มีอยู่ในใจเห็น ไ, ไหมมันไปอยู่ในสังคมแวดล้อมอยังไงมันก็น้มเอียงไปอย่างนั้นนี่เราพูดถึงว่าเรื่องกรรมเกี่ยวข้องกับเราไหมเกี่ยวข้องกับเราทุกระยะทุกเวลาย่ม่าจะลูกลูกหลานคนที่อยู่ในการดูแลของเราเลยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเราไปซ่องเสีบกับสิ่งที่จะพาให้เรา เสียเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย ๆ, อยๆบ่อยๆเข้าสักหน่อยหนึ่งที่แรกรู้สึกเกิดความละอายหนักๆเข้าไม่ละอายแล้วเฉยๆธรรมดาไปนั่งอยู่ในวงพนันะที่แรกก็นั่งดูเขาเออรู้สึกละอายป่ะเออพวกนี้ไม่ดีเนาะเล่นพนัน น, นั่งดูบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าอะลองบ้าง <c oughs> <c oughs> <laughs> ลองพ้าง <c oughs> ไม่ต้องลองสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องลองอเล่าก็เหมือนกันพนันก็เหมือนกัน อะไรขึ้นชื่อว่าผิดศีลผิดธรรมให้เราระมัดระวังเอาไว้เพราะอันนี้เป็นต้นทางเป็นที่มาของกรรมเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาแบกมาหามะของไข่ของเราตอนนี้เรามาฝึกฝนอบรมกายกรรมวจีกกรรมมโนกรรมของเราครบวงจรเราต้องพยายามฝึกหัดดัดจิตของเราเนี่แหละให้ได้หลักได้เกณฑ์ต้องการให้สงบก็ให้ได้รับความสงบ จิตใจห ย, ยาบช้าทารุณก็ให้เป็นจิตใจที่อ่อนนิ่มเป็นจิตใจที่มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคนที่ไม่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราถือได้ว่าเป็นคนจิตใจแข็งกระด้างไม่มีเมตตาพอเคยนก็เคยนพอตีก็ตีพอด่าก็ดา่าพอฆ่าพอแกงพอหยิบพอฉวยพอพูดให้ร้ายใส่โทษอะไรทําได้หมด พวกที่ไม่มีใจเมตตาคำว่าเมตตาก็คือคนที่มีใจถึงใจแหละดูมาที่ใจของเราแล้วก็ดูไปที่ใจของเขาเราไม่ต้องการสิ่งไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็คงจะไม่ต้องการสิ่งไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้และความเป็นอยู่ความเกี่ยวข้องกันก็หวังพึ่งกันเราหวังพึ่งเขาเขาหวังพึ่งเราต่างคนต่างออนน้อมเข้าหากันต่างคนต่างแสดงกิริยาวความดีเข้าหากันเพราะเราหวังพึ่งกันนะ ถ้าเราทำไม่ดีกับเขากลัวเขาไม่ให้พึ่งเขาก็กลัวเรากลัวทำไม่ดีกับเราก ล, กลัวเราไ ม, ไม่ไม่ให้พึ่งต่างคนต่างทำดีด้วยกันก็เป็นเหตุมีเมตตากรุณาสามัคคีปลองดองอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเนี่ยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เป็นคุณธรรมจริยธรรมภายนอกที่ส่งผลมาจากภายในเช่นเดียวกันการเจริญเมตตาเราเจริญยังไงถึงจะถึงจิตถึงใจ การเจริญเมตตาการแผ่เมตตาเราก็ดูมาที่ใจเราแล้วก็ดูไปที่ใจเขาโอ๊ยเขาทุกอยางลาบากอย่างนี้เนอถ้าเผื่อเราทุกอยางลาบากอย่างนี้บ้างเราจะเป็นยังไงเนี่ยเอาใจเราเนี่ยใจเขานะมาเทียบใจเราเราทุกอยางลาบากอย่างนี้เนอถ้าเผื่อเขาทุกอยางลาบากเหมือนเรา่ะเขาจะมีความทุกข์ยากลาบากขนาดไหนเพียงไรเรามีความสุขสะดวกสบายขนาดนี้เนอ ถ้าเพื่อเขาได้รับความสุขสะดวกสบายเหมือนเราเขาจะมีความสุขสักปานใดมันมีการเทียบเคียงอยู่อย่างนี้ทําให้เรามีควา ม, มเมตตากันมีความสงสารกันแล้วก็แผ่มเมตตาอย่างถึงจิตถึงใจไม่ใช่เราแผ่ไปลอยๆเราแผ่ไปกับคนที่ตกทุกข์ได้ ย, ยากลําบากเนี่ยจิตใจน้ําตาร่วงจริงๆนะเพราะใจมันเข้าถึงจริงๆน้ําตาร่วงจริงๆอน้ําตาร่วงจริงๆ เคยดูนิทานาชาดกเคยดูนิทานชาดกพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นลูกช้างเป็นลูกช้างช้างช้างตัวนี้เป็นช้างป่าแล้วก็มีลูกเป็นช้างเผือกอพอดีช้างเผือกก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยช้างเผือกตัวเนี้ เดินทําเดินหากินอยู่ในป่าเดินไปเดินมาเดินมานะถูกเสียมเสี้ยนถูกลิ่มที่เป็นไม้เนี่ยแทงเข้าไปที่เท้าเนี่ยแทงที่ตีนเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินเดินไม่ได้ทั้งปวดทั้งบวมทั้งอะไรเดินหากินก็ยากลําบากมีอยู่วันหนึ่งพวกช่างไม้ไปหาตัดตัดไม้ในป่าช้างตัวนี้ก็เลยไปรับใช้พวกช่างไม้ ช้างไม้เขาก็ดึงให้ดึงดึงเสี้ยนที่มันตําตีนให้เขาดูแลให้เขารักษาแผลให้อะไรให้ช้างป่าตัวนี้ก็เลยก็เลยเลยไม่มีอะไรตอบแทนบุญคุณของพวกช่างไม้ก็เลยไปเอาลูกเผือเนั่ยแหละช้างเผื่อที่เป็นพระโพธิสัตว์น่ยมาให้มามอบให้ทีนี้เรามาพิจารณาดูาที่เขาบรรยายไว้ในในนั้นความเจ็บความปวดของช้างเนี่ย เราก็มาพิจารณาในแง่เมตตาออช้างเจ็บปวดขนาดนี้ถ้าเผื่อเรานะเราปวดขาขนาดนี้เราเดินไปย่อนลงไปก็ดึงขึ้นมาย่อนลงไปก็ดึงขึ้นมามันเจ็บ เ, ออเพราะมันมีเสี้ยนต่ำอยู่ข้างในจะหยิบออกจะอะไรออกก็ทำไม่ได้มันสัตวออ์มันไม่เหมือนคนไม่เหมือนมนุษย์โอ้มันจะเจ็บจะปวดสักขนาดไหนเพียงไรพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปสงสารน้าตาร่วงได้เหมือนกันเนี่ย เราพิจารณาเอาใจถึงใจแบบนี้การแผ่เมตตาแบบนี้เป็นการแผ่เมตตาได้ผลได้านิสงผู้ที่ตั้งใจแผ่เมตตาได้ผลได้านิสงเป็นผู้มีจิตใ จ, จยเยือกเย็นเป็นผู้มีจิตใ จ, จที่ไม่แข็งกระด้างเอาจิตใ จ, จที่เยือกเย็นเอาจิตใ จ, จที่ไม่แข็งกระด้างนี่มาภาวนาสงบเร็วจิตใ จ, จมันสงบเร็วเพราะเมตตาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความสงบอันหนึ่งเหมือนกันนะไปดูไปดูในบทเมตตาเนี่ย พรมวิหารสีเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะเหมกันนะสาารถทำให้จิตได้รับความสงบได้ <c oughs> อะไรที่มันพอจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเราให้จิตของเราไปได้ดีเราก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชนใ์ให้ได้ทั้งหมดนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะข้อไหนที่ขัดกันไม่มีไม่มีธรรมะข้อไหนที่ขัดกันมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละมันขัดกับธรรม เพราะฉะนั้นบทไหนบาทไหนกลนใดวิธีใดอุบายใดที่มาช่วยทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกันเราก็เอามาใช้ด้วยกันได้นี่เราพูดเรื่องของกรร ม, มพูดถึงเรื่องของกรรมพูดไปพูดมาก็ยืดยาวก็เกี่ยวข้องกับการที่เราตั้งใจภาวนาเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วเราจะเลิกเท่าไหร่ ตอนเช้านี่เราจะลองไปเดนิจนจงกรมเท่าไหร่หกมองลองไปเดินจงกรมใช่ไหมห เ, ลเหลือเวลาอีกเท่าไหร่เนี่ยเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ยี่สบห้านาทียี่สิบห้านาทีตอนนี้เวลาอารมณ์ดีดีจิตใจของเรากำลังรื่นเริงสบาย นั่งภาวนาไปจนถึงหโมงนะเสร็จแล้วลุกไปเดินจังกรมแต่วันนี้วันนี้จะไม่เดินแหละเราจะกลับไปที่กุฏิให้พวกเราไปเดินกันเองพอเวลาใกล้บินทบาทเดี๋ยวเอาบาทไปที่นู่นก็แล้วกันเอานั่งภาวนาจากนี้ไปจนหกโมงนะเท่าเลยอ่ากำกับด้วยพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธรู้สึกตรงไหนเกาะตรงนั้น ก้าวยาวก้าวสัน้นก้าวสบายนั่งเดินกำกับเอาสติกำกับไม่ขาดสติเดินอยู่กลมนะหรือเราจะเป็นวิชา บ, บทธรรมก็ได้หรือเราเราจะเอาสติกำหนดอยู่กับความรู้สึกที่เท้าเราก็ได้เดินพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธมันสําคัญว่าไอความรู้สึกกับจิตเนี่ยให้มันชัดถ้าชัดเมื่อไหร่ก็คือมีสติกำกับ ทำไมชัดก็คือมันเลื่อนลอยไปที่อื่นเดินจังกลมการเดินจังกลมนี้เป็นวิธีที่ทําให้จิตเราตื่นมันจะไม่ค่อยจะหลับไม่ค่อยหลับไ ม, ไ, มไม่เหมือนนั่งภาวนา น, ะนั่งภาวนาเผลอไม่ได้หลับแต่เดินไม่หลับเพราะฉะนั้นเราเดินพิจารณาได้พยายามทําความรู้สึกให้มันชัดอยู่กับตัว เ, เรียกสติมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวเต็มที่เดินกําหนดพิจารณาความรู้สึกไปรู้สึกตรงไหนก็พิจารณาไป หรือจะกำหนดอิริยบทก้าวไปขวาพุทซ้ายโธพุโทโธพุโทโธพุโทโพุโทโธการเดินนี่เป็นการเดินเพื่อเปลี่ยนอิริยบทแต่บางครั้งการเข้าใจรรเนี่ยการเข้าใจทำการรู้ทำการบรรลุธรรมเนี่ยเป็นเพราะการเดินก็มีนะเป็นเพราะการเดินถ้าเราทำบ่อยครั้งเข้า ทำบ่อยครั้งเข้าเราจะได้ความรู้จากการที่เราเดินได้เป็นอย่างดีมันเป็นมันเป็นมั น, เ ป, นเป็นวิธีที่ร่างกายของเรามันตื่นมันไม่หลับง่ายแต่พยายามดํารงสติเอาไว้ดึงเข้ามาดึงเข้ามามอยู่นี่คือเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งภาวนานอกจากนั้นเราไปทํานั้นทำํำนี้ทําอะไรก็ตามแต่พยายามมีสติอยู่กับความรู้สึกของตัวเองตลอดอย่าให้มันออกไปนอกอย่าให้มันไปอยู่กับความรู้สึกของจิตที่มาส่งไป ส่งไปรู้สึกที่นู่นส่งไปรู้สึกที่นี่ส่งไปตามสัญญาสัญญาอารมณ์เอาผู้รู้กับความรู้สึกที่กายกำกับกันแล้วมันมันจะอยู่มันจะไม่ค่อยไปถ้าเราปล่อยแล้ว ม, มันมักจะไปเอาแนะนำเท่านี้แหละลงไปเดินกัน